นี่ก็ดังที่กล่าวไว้ว่าจะเอามหาจัตตารีสกะสูรมามากล่าวนี่ยนะก็ไม่ทราบใครเตรียมมาบ้างนะมัชฌิมนิกายอุปริปัญธาษใช้เล่มย3สามเอามนูบอกผิดมั้งต้องเล่มย2สองนะมหาจัตตารีสกะสูรหน้าสามร้อยสี่สิบสี่สิบเอดนะ คุณวิลาวันเปิดเจอหรือยังหน้าหนึ่งร้อยสองไอ้มไม่เป็นไรแต่มันเป็นนี่สิยุงมากมากข้อความในมหาจัตตารีสกัสูตรมัชิมนิกายอุปริปันาฏ ข้อ152เป็นต้นเนี่ยนะข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีกรุงสาวัตถีสมัยนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นก็ทูลรับพระดํารัสแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัส ด, ดังนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เราจะแสดงสัมมาสมาธิที่เป็นอริยะอันมีเหตุมีองค์ประกอบแก่เธอทั้งหลายพวกเธอจงฟังสัมมาสมาธินั้นจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวต่อไปพระพิสุทท่านก็ทูลรับว่าชอบแล้วพระพุทธเจ้ า, าค่ะเธอพูดถึงสัมมาสมาธินี่นะปกติเขาก็ควรมีองค์ประกอบมีบริวารมีบริคามมีสิ่งแวดล้อมนะนะมีเหตุมั ทนตัวเหตุตัวปัจจัยสิ่งแวดล้อมองค์ประกอบของสัมมาสมาธินี่คืออะไรท่านพระองค์ก็เลยยกสัมมาสมาธิขึ้นเป็นประธานในการแสดงธรรมแล้วก็กล่าวองค์มรรคที่เหลือในฐานะเป็นบริวารพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ตรัส ด, ดังนี้ว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายก็สัมมาสมาธิที่เป็นอริยะอันมีเหตุมีองค์ประกอบอ น, นะองค์ประกอบก็คือสั ม, มาธิฏฐิ สัมมาสังกัปปะสัมมาวาจจะสัมมากรรมตะสัมมาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสตินนพวกนี้แหละเป็นองค์ประกอบดูก่อนพิสูจนทั้งหลายความที่จิตเป็นเอกคตาประกอบด้วยองค์เจ็ดเหล่านี้แหละเรียกว่าสัมมาสมาธิที่เป็นอริยะอันมีเหตุมีองค์ประกอบอันตัวเอกคตาที่มีองค์ประกอบเจองค์เนี่ย น, นะก็ถือว่าเป็นสมาธิที่เป็นพระอริยะ สมาธิที่เป็นอริยะแปลว่าเป็นสมาธิอย่างประเสริฐหรือเป็นสมาธิชั้นดีเป็นสมาธิที่มีบริขารอย่างเดียวมีบริขารที่บริบูรณ์สมบูรณ์เพราะว่าไม่ใช่นิ่งนิ่งอย่างเดียวเลยนะนิ่งทำไมบางคนก็นิ่งนิ่งโดยที่เป็นความนิ่งที่ไร้บริขารเนี่ยนะไม่มีองค์ประกอบไม่มีเครื่องแวดล้อมไม่มีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นเป็นเครื่องแวดล้อมความนิ่งแบบนั้นยังไม่ประเสริฐเท่าไร่ แต่ความนิ่งหรือความเป็นเอกคตาที่มีองค์ประกอบเจ็ดองเนี่ยนะถือว่าเป็นสมาธิที่เป็นอริยะดูก่อนพิสูจ์ทั้งหลายบรรดาองค์ทั้งเจ็ดนั้นสัมมาทิิย่อมเป็นประธานนะตัวพูดถึงสมาธิจริงนะแต่ว่าสำคัญที่สุดคือสัมมาทิสัมมาทิธินี่เป็นหัวหน้าเป็นประธานก็สัมมาทิิย่อมเป็นประธานอย่างไร Стати, คือภิกษุรู้จักมิจฉาทิฏฐิว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิรู้จักสัมมาทิฏฐิว่าเป็นสัมมาทิฏฐิความรู้ของเธอนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิรู้จักตัวนี้เนี่ยบาลีมายว่ารู้ชัดนะนะประชานติรู้ชัดร enfin ู้ชัดวันนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิรู้ชัดวันนี้เป็นสัมมาทิฏฐิวิปัสตัวสัมมาทิฏฐิตัวนี้เนี่ยเป็นสัมมาทิฏฐิไหนในสัมมาทิฏฐิห้าอย่างสัมมาทิฏฐิมีห้าอย่างใช่ไหมหนึ่ง กรรมสกตาสมาธิฏิสองวิปัสนาสมาธิฏฐิสาฌานสัมาธิฏิ4ี่มัคสัมาธิฏฐิหผลสัมมาธิฏฐิแล้วก็บางแห่งก็ปัจเจกขณะสัมาธิฏิตรงนี้เป็นสมาธิฏฐิประเภทไหนเป็นวิปัสนาสัมมาธิฏินะนี่พันวิปัสนาสัมมาธิฏินี้จะรู้จักมิจฉาทิฏฐิว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิรู้จักสัมมาธิฏฐิว่าเป็น สัมมาทิฐิเพราะตัววิปัสสนาสัมมาทิฐินี่เขารู้ชัดทีนี้ถามว่าไอ้รู้ชัดมิจฉาทิฐิว่าเป็นมิจฉาทิฐินี่รู้ชัดว่ายังไงอัตรารย์ท่านบอกว่ารู้โดยสามัญลักษณะก็คือรู้โดยอนิจจังทุกขังและอนัตตาทาย่างอนัตตาบินทิกะเศรษฐีกล่าวไว้ในทิฏฐิสูตรอังคุตระนิการทาศกาลนิบาศ ท, ท่านก็บอกว่า ทิฐิตัวนี้เนี่ยนะตัวมิจฉาทิฐิทุกมิจฉาทิฐินี่เกิดเพราะอะไรปัจจัยภายในกับปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในที่ทําให้เกิดมิจฉาทิฐิก็คืออโยนิโสมนัิการความไม่ฉลาดคิดความไม่แยบคายแห่งจิตอโยนิโสมนัิการอันนี้แหละเป็นปัจจัยที่สําคัญแห่งมิจฉาทิฐิภายในนะภายนอกล่ะประโตโคโะ คือการฟังเทศนะของมิจฉาทิฐิบุคคลหมายคือว่าไปฟังมิจฉาทิฐิคนฟังก็เลยเป็นมิจฉาทิฐิตามไปด้วยฉะนั้นมิจฉาทิฏฐินี้เกิดจากการได้ยินได้ฟังสมัยใหม่ก็คือเกิดจากการอ่านเหตุปัจจัยสรุปว่าเหตุปัจจัยแห่งมิจฉาทิฐิมีสองคืออโยนิโสมนสิการภายในกับปรตโตโคสะคือฟัง เรียกว่ารับสื่อจากมิจฉาทิฏฐิมาก็เลยเป็นมิจฉาทิฏฐิตามมาด้วยทีนี้มิจฉาทิฏฐิที่เกิดขึ้นนั้นเป็นธรรมชาติที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมโดยอาศัยวัตถุและอารมณ์สัมปยุต ธ, ธรรมเนี่ยนะอาศัยปัจจัยนี่เกิดขึ้นเกิดขึ้นเพราะอาศัยปัจจัยก็สิ่งใดก็ตามที่มีปัจจัยปรุงแต่งขึ้นอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นปัจจัยนี่ก่อขึ้นสิ่งนั้นทั้งหมดล้วนแต่ไม่เที่ยง สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์นนะมันผู้ที่ไม่รอบรู้ในสิ่งที่ไม่เที่ยงด้วยเป็นทุกข์ด้วยก็ยึดถือไ อ, อ้ทิฏฐิเหล่านี้พทันทิฏฐินี่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือทิฏฐินี่ท่านบอกว่ารกมันรกมากๆเลยนะรกมากวรกคือมันข้ามออกไปยากใครที่เป็นทิฏฐิอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยที่จะแหวกไปอีกทิฏฐิหนึ่งก็ยากพ่านมันรกชัดมากมันกันดารมากข้ามยาก อันตัวมิจฉาทิฐิตัวนี้นี่เป็นเป็นตัวที่อันตรายที่สุดพระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่มีสิ่งใดที่จะมีโทษเสมอด้วยมิจฉาทิฐิเพราะว่ามิจฉาทิฐิเนี่ยมีโทษสูงสุดสุดยอดของบรรดาสิ่งที่มีโทษทั้งหลายเพราะมิจฉาทิฐิเกิดอย่างเดียวเนี่ยนะกับบางคนเนี่ยเป็นปัจจัยให้ทําปาณาติบาตโอต่อต่อกันไม่รู้กี่พันปีนีย มิจฉาทิฏฐิอย่างเดียวเนี่ยเป็นเหตุทําให้คนเนี่ยทำชั่วอย่างมากมายทำปานาติบาตทำอัธินาทำทำกาเมสุมิจฉาจารทำมุสาวาตเดิมสุรามีไรเป็นต้นเนี่ยก็เพราะมีมิจฉาทิฏฐิเป็นปัจจัยบาปอกุศลทั้งหลายเนี่ยนะที่มันระบาดลุกลามในโลกนี้โดยมากก็มีมิจฉาทิฏฐิเป็นปัจจัยอันผู้ที่ตามเห็นทิภัยของมิจฉาทิฏฐินั่นแหละเรียกว่าเจริญทุกขานุปัสนา รู้ความไม่เที่ยงของทิฏฐิรู้พิษภัยของทิฏฐิแต่ที่สำคัญไม่ควรลืมว่าคติสองของมิจฉาทิฏฐิคือนรกกับเดราชานไปที่แพร่แพร่เมือ่อหลายวันก่อนไปก็ไปเห็นในกอไผ่อยู่สองกอเราก็ไปนั่งพึ่งร่มไผ่ซะหน่อยก็เหลือยปลาไปเห็นหน่อไม้ ทำไมมันขาวโผลนไปหมดก็เลยดูใกล้ชิดเข้าไปก็เลยบอกตัวแมลงที่กินหน่อไม้ตัวเหมือนเห็บหมาเนี่ยนะเท่าๆกับเห็บม้าเท่านั้นแหละนี่ดูไปรอบๆเนี่ยสองกอเนี่ยขอมาเชื่อว่าคนทั้งแพ่ณ น, นะสมมติจุติเนี่ยสองกอไัยนะ่นก็พอเนี่ยนะเพราะมันมีมากขนาดนั้นมีเป็นล้านๆตัวเนี่ยนมะันทําให้เอ๊้ก็หน่อไม้มันชักจะไม่ค่อยอร่อยสักเท่าไรแล้วนาะ นะเพราะว่าถ้าติดใจลุ่มหลงํำหนับเพลดิดเพลินไม่ปัจเจกไม่อะไรไม่ละเลึดถึงสีเนี่ยไปอยูกก่เกาะหน่อไม้เนี่ย <c oughs> เดือดร้อนแน่เยอะจริงๆนะยังชี้ให้คุณคุณสวัส ด, ดูเลยมันก่อนบอกนี่นี่นี่เห็นไหมเหนะ็น ไ, ไนก็ตัดอะไรคือมันเป็นหน่อไม้ประดับไม้ไผ่ประดับไม้ไผ่ประดับมีพวกมแมลงไปเกาะ น, นะ แต่ว่ามแมลงพันเดียวอู้เยอะเจือมากๆเลยแล้วก็เห็นว่ามิจฉาทิฏฐินี่มันมันร้ายแรงมากๆเลยนะวันก่อนโยมเล่าให้ฟังบอกเขาไปเที่ยวทะเลมาว่างั้นอนารัศมีเป็นกิโลกิโลเนี่ยนะมันมันมีแต่สัตว์มันตัวเหมือนปลิงเหมือนอะไรเนี่ยเล็กๆขวางงั้นเยอะจริงๆรัศมีเป็นตารางกิโลเลยอะ่ะโอ้ถามว่ามันจะเท่าไหรเนาะ มันกี่ตัวเนาะเออเหมือนสาเดือนเนี่ยนะเหมือนไสาเดือนเหมือนปลิงเหมือนอะไรเนี่ ย, ยนะเยอะขนาดนั้นถามว่าเยอะขนาดนั้นยัอหึงว่าตากมันน่ากลัวเนี่ยผลของทิฏฐิมันจะต้องรู้จักพิษภัยของมิจฉาทิฏฐิทิฏฐินั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยกระยิมกระยิมในทิฏฐิอย่างมากเพราะถือว่าทิฏฐิของตัวเองนี่ทิฏฐิชั้นเนี่ยแหละทําให้ชั้นพ้นทุกข์อ่ะทุกคนก็ถือว่าความเห็นของชั้นเนี่ยใกล้นิพพานเข้าไปทุกทีทุกที ทิฏฐิของฉันเนี่ยใกล้จะถึงที่สุดแห่งทุกข์งนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าไม่มีเครื่องมือในการตรวจสอบไม่มีสติปัญญาเพียงพอเนี่ยยากนะยากจะรู้ว่าเอ้นี่ฉันคิดผิดหรือถูกกันแน่ผิดเพราะอะไรทำไมจึงผิดถูกเพราะอะไรทำไมจึงถูกเป็นต้นเนี่ยนะถ้าข้อมูลไม่ดีความรู้ไม่พอเนี่ยก็น่าน่าเห็นใจมากๆเลยโดยเฉพาะทิฏฐิที่กยิมต่อพระนิพพานเนี่ยนิพพานเป็นยังไงอนะ มันก็ต้องทําความเข้าใจให้ดีๆเพราะว่าถ้าหลุดไปอบายแล้วเรื่องมันยาวเนี่ยนะเรื่องมันยาวมากๆเลยนะไปเกิดเป็นตัวแบบคล้ายๆไส้เดือนทะเลอย่างที่ว่าเมื่อกี้นี่ก็หนักอมมากๆเลยนะหมู่อบายเยอะจริงๆไม่ได้ขูนะแต่เล่าให้ฟังว่าถ้าไ อ, อท้ทิฏฐิเนี่ยถ้าพลาดแล้วก็ไปลึกมากๆเลยแล้วก็มันก็อีกไม่กี่ปีแล้วก็จะไปลึกใครจะอยู่บ้างเออให้ไหม่อยู่คําพันอีกข้าพันตีเอาไหมก็ไม่เอาอีกนั่นแหละก็ต้องไปอยู่แล้วถามว่าไปไหน ในบรรดาคติห้าคติห้ามีหนึ่งนิรยคติคโตเนี่ยคติแปลว่าไปแล้วหรือย่อมไปเนี่ยนะไปไหนล่ะหนึ่งนรกสองเปรตสามเดราชาณสี่มนุษย์ห้าเทวดาบอกโอ้จะไปเทวดานี่แหละบอกคุณจะไปอยู่สักกี่วันเทวดาไปมีอายุสักกี่วันดีอเพราะว่าเทวดานี่มันตายเพราะสิ้นบุญก็มีคือเทวดาเขาอายุยืนจริงแต่ตัวมันอายุสั้นลนะ่ะไปอยู่ได้ไม่นานก็เลยจุตินะ เหมือนอย่างว่ามีสตังไม่เท่าไหร่ไปเที่ยวกรุงเทพเนี่ยนะเดินยังไม่เท่าไหร่เลยหมดค่าแท็กซี่ไปแล้วอย่างเงี้ยนะก็เลยต้องทัส่งกลับบ้านเก่าเลยอย่างเงี้ยมันก็พยายามที่จะใส่ใจให้ดีสองเทวดานี่จุติเพราะอะไรบ้างรู้ไหมลืมทานเพลินไปหน่อยนะเที่ยวเพลินเนี่ยเหมือนสมัยนี้เล่นคอมจนลืมกินอย่างเงี้ยน ะ, ะก็ พันธาผู้ที่เพลิดเพลินในในสุขติเนี่ยนะก็จุติได้เริ่มกินเนี่ยนะก็ตายอย่างที่สามขีกโกรธเนี่ยนะมากโกรธไปเห็นเขาเห็นเขาคนอื่นเขาควงนางฟ้ามาเยอะก็เลยหมันไส้เลยนะตาตาศบตาก็เลยด้วยโทสะทั้งคู่ก็เลยจุติหมดเล ย, ย <c oughs> แล้วก็ถึงอยู่ยังไงก็หมดบุญอีกอยู่ดีอยู่นานก็ตายอย่างนั้นะ ในถ้าผู้มีบุญก็ยังคติสูงสูงต่อไปอีกได้ถ้าหมดบุญก็เวียนกลับมาใหม่เวียนกลับมาใหม่ถามยิ่งยิคุณจะไปอยู่ตรงไหนเนี่ยคือศึกษาธรรมะขนาดนี้ตรงไหนพอจะไปฝากผีฝากไข้ได้บ้างนะฝากไปอยู่ในครันก็เลยเออแล้วไม่ติดเชื้อมาตั้งแต่เมนัไม่ติดเชื้อมารดามาเนี่ยพราอไม่รู้ว่ามารดาเนี่ยสมประกอบขนาดไหนก็ไม่ทราบอะนนะทางร่างกายด้วยแล้วก็จิตใจด้วยนะ แล้วปัญหาเท่าที่รู้จักคนดีดมีศีลมีธรรมก็ไม่ค่อยจะมีลูกเลยดิเื่อคนดีมีศีลมีธรรมมีฐานะหน่อยไม่ค่อยมีลูก อ, ะอ่ะแต่พวกที่ลูกหลอกเยอะๆเนี่ยก็โหยขี่เหล้าก็ปานนั้นสุบุรีก็เก่งปานนั้นด่าก็เก่งปานนั้นไม่เชื่อบุญเชื่อบาปีก็โหยเนี่ยนะก็สุดแท้เถอะครับนี้เนี่ยนะแล้วก็ไปอยู่เผ่าไหนก็ไม่ทราบอ่ะนะ เขาบอกว่าที่ประเทศขเขมรเนี่ยฮุนเซนนะนะฮุนเซนคือนายกรัฐมนตรีเขาบอกว่าไอ้สมัยที่ขเขมรแดงเข็นฆ่านะ่ะมันไม่ได้ตายเท่าทุกวันเลยเขา้าว่าทุกวันมันตายมากกว่าสมัยนั้นอีกเพราะอะไรรู้ไหมเอดมันฆ่า <laughs> เอดฆ่าตายกว่าสมัยสงครามเพราว่างั้นนะตอนนี้นะแล้วก็แล้วก็ประเทศไทยก็ใช่เบาซเมัยไรเนี่ยนะก็ร่วมกันเป็นใบไม้ร่วงพอสมควรเลยแหละ แล้วก็ประเทศบางประเทศเนี่ยนะอย่างอินเดียนี่ก็ไม่รู้ว่าตายไปเท่าไรแล้นี้ถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์อีกถ้าตายจากมนุษย์แล้วอสมมติมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วทําชั่วเกือบตลอดชีวิตมนุษย์ไปไหนต่อไหนโอ้ยวัตต์ยาวเลยเพราะฉะนั้นวัตต์เนี่ยก็อชอบคําสวดอยู่บทหนึ่งก็บอกมีทุกเป็นเบื้องหน้าแล้วมีทุกอย่างลงแล้วทำฉนัยการทำ ท, ที่สุดทั้งสิ้นนี้จะเพิ่งปรากฏชัดแก่เราได้แต่ว่าทั้งหมดนั้นก็กถามว่าตัวชาติทุกขเนี่ยนะ ความทุกข์ทั้งหลายมีทิฏฐิเป็นปจัจัยเพราะทิฏฐินั่นแหละถ้าตัดทิฏฐิได้อย่างเดียวนี่นะนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานปิดหมดเลยถ้าปฏิบัติจนกำจัดมิจฉาทิฏฐิได้โดยประการทั้งปวงแต่ที่สําคัญนี่จะต้องรู้จักมิจฉาทิฏฐิว่าสภาวะเข้าเป็นอย่างไรเหตุปัจจัยที่ทําให้เกิดมิจฉาทิฏฐิคืออะไรเนี่ยนะเพราะว่าทุกคนโดยทั่วๆไปก็จะเข้าข้างตัวเองอะนะเข้าข้างตัวเองค่อนข้างมาก ดูสังเกตจากอะไรว่าเข้าข้างตัวเองบอกสังเกตจากดูภาพถ่ายะจะดูรูปเราก่อนเลใช่ไหมนี่ก็แสดงว่ายึดมากนะดูภาพถ่ายนะถ้ามุต่ะในใครคนพูดเยอะๆนะถ้าเปิดเสียงเทพนะเออเสียงเราก่อนหรือเปล่าเนี่ยเพราะฉะนั้นสีของเราก็ติดเสียงของเราก็ติดอะไรที่เราเสนอความคิดใดมันของเราเราก็ติดหมดทั้งทุกคนนี่ก็ติดมันวัตถุเหล่านี้เนะี่ย ท, ท, ท, ท, ที่เรียกว่าทิฏฐิฐานะเนี่ยนะนะ เหตุแห่งทิฏฐิทั้งหลายก็ต้องเอามาทําปริญญาจนกว่าจะพรากทิฏฐิออกไปถ้าพรากมิจฉาทิฏฐิไม่ได้ก็พระองค์ตรัสว่าชาติชรามรณะโศกะปริเทวทุกโทมนณะอุปาญาตวัตทุกนี่ไม่มีจบมีสิน้นอันถ้าฟังแล้วถามว่าโลกนี้อะไรน่ากลัวที่สุดความคิดของเรานั่นแหละความคิดของเราความเห็นของเราเนี่ยมันน่ากลัวมันก็ต้องเอาความเห็นเหล่านี้มาทําปริญญามาพิจารณาโดย เหตุเกิดโดยความดับโดยอาสาธาอาทีนวะนิสรณะของความคิดทุกๆความคิดเลยนะเพราะเราแน่ใจขนาดไหนว่าสิ่งที่เราคิดนี่มันถูกคนที่ประสบะการณ์ชีวิตมามากๆจะรู้ว่าโดยมากที่ผ่านมาคิดผิดซะส่วนใหญ่ถึงถูกมันก็ถูกไม่หมดหรือถูกก็ถูกไม่ดีอย่างเพียงพอเพราะฉะนนั้จะเชื่ออะไรกับความคิดขณะนี้มากนักเนี่ย น, น, นะเพราะความคิดเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ถูก ปัจัยปรุงแต่งความเห็นเหล่านี้ก็เป็นเสียงที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งสิ่งใดก็ตามที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งล้วนแต่ไม่เที่ยงนะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์แล้วผู้ที่แบกความทิฏฐิตัวเองเนี่ยมันหนักขนาดไหนใช่ไหมเพราะมันต้องคอยประคับประคองทิฏฐิตัวเองนะใครจะมาปาดทิฏฐิตัวเองหน่อยในหะ้มันโกรธนะใครที่ยึดถือความเห็นตัวเองมากๆนะใครมาพูดอันนี้เนะี่ย อักมาเบียดที่ถิของฉันแล้วนเนี่ยและชักโทสะละอันพอความยึดถือในทิ่ถีเป็นเหตุให้ทะเลาะกันแล้วก็ทิถีทั้งหลายมันมีอสาท า, าอยู่อสาท า, าของทิถีคืออะไรถ้าพูดจนคนเห็นด้วยก็ที่มาของลาบสการะชื่อเสียงความนับถือเป็นต้นเนี่ยนะถ้าเสนอที่ถีจนคนอื่นเขายอมรับได้อันตัวความเห็นนี่เป็นสิ่งที่อันตรายที่สุด แต่ทีนี้ก็ต้องแยกกันะว่าความเห็นมีสองอย่างคือสัมมาทิฏฐิกับมิจฉาทิฐิทีนี้มาดูไอความเห็นที่ทาให้ตกนรกเลยที่ว่ารู้จักมิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิเป็นไนคือความเห็นดังนี้ว่าทานที่ให้แล้วไม่มีผลนะอันนี้ทานที่ให้แล้วไม่มีผลยันที่บูชาแล้วไม่มีผลยันตัวนี้หมายถึงการบูชาใหญ่บูชาใหญ่เช่น พระราชาท่านทำสังฆะวัตถุเนี่ยไม่มีผลการสงเคราะห์หมู่ประชาเนี่ยนะ ท, ที่เรียกว่าเป็นพวกยันพวกนี้เป็นระดับยันของพระราชานะเช่นอัสเมตปุริสเมตษนิรัชละเป็นต้นเนี่ยพวกพวกมหายันของพระราชานะบอกว่าพระราชาที่ประกอบด้วยมหายันชั้นดีจริงๆเนี่ยประชาชนเนี่ยนอนไม่ต้องปิดประตูเนี่ย โยวาหเนี่ยไม่ต้องปิดประตูไม่ต้องใส่คุญแจเพราะประชาชนเนี่ยฐา น, นะอยู่ดีกินดีกันทุ่นหน้าไม่มีทุจริตกรรมโดยประการทั้งปวงอันธราชาที่ที่ทำให้บ้านเมืองสงบร่มเย็นขนาดนี้มีผลไหมมีอยู่แล้วนี่ก็เหมือนการคำว่าคาว่ายันที่บูยันตัวนี้แปลว่าคือการทำบุญยิ่งใหญ่แบบนั้นนะมีผลอยู่นะการสงเคราะห์การสงเคราะห์หมู่ประชาชาน หรือการตัวหูตังตัวนั้นเนี่ยที่เรียกว่าบวงสรวงไม่ได้บวงสรวงแบบไทยนะหมายถึงการต้อนรับการเชื่อเชิญการทํามงคลเนี่ยนะการปฏิบัติมงคลเช่นการอย่างสมัยพุทธกาลเลยการต้อนรับการเชื่อเชิญพระพุทธเจ้ามีผลไหมเนี่ยนะลักษณะนั้นแหละก็เรียกว่าหูตังไอ้บวงสรวงตัวนั้นไม่ใช่ว่าอะไรนะยกหัวหมูหัวไก่ขึ้นมาแล้วก็เส้นบวงสรวงมันไม่ใช่คนละเรื่องกัน ไอ้คำว่าสังเวรบวงสวงในที่นี่หมายถึงการทำมงคลทั้งหลายมีผลนะการปฏิบัติตามมงคลเนี่ยมีผลการต้อนรับการเชื่อเชิญมีผลส่วนผลวิบากของกรรมดีกรรมชั่วที่ทำแล้วมีผลแต่พวกนี้ปฏิเสธใช่ไหมพวกมิจฉาทิฐิบอกไม่มีฆ่าสัตว์ไม่มีบาปนี่ะ รักทรัพย์ก็ไม่มีบาปประพฤติผิดในกามก็ไม่มีบาปมุสาวาตก็ไม่มีบาปเดิมสุรามีไรเป็นต้นไม่มีบาปซากอย่างทําดีก็ไม่ได้บุญอไม่ได้ผลนะนะทำดีก็ไม่ได้ผลบุญทําบาปก็ไม่ได้ผลบาปก็ปฏิเสธโลกนี้ไม่มีหมายถึงว่าสัตว์ที่ตายจากโลกอื่นมาโลกนี้ไม่มีหรอกเห็นไหมใช่ไหมมันเกิดขึ้นระหว่างอะไรสมัยหมายก็อสุจิกับไข่ผสมกันก็เลยเกิดเลยนะ ก็ไม่มีผู้ใดมาปฏิสนธิในนั้นอะไรนะเพราะถือการผสมกันระหว่างสองสิ่งนี้เรียกว่าปฏิสนธิใช่ไหมก็จะมองอยู่แค่สองอย่างเพราะไม่ได้มองว่ามีกรรมเป็นปัจจัยนําเกิดเนี่ยนะนะพวกที่ปฏิเสธถือว่าเหมือนกับว่าเกิด ล, ลอยลักษณะนี้แหละเรียกว่าโลกนี้ไม่มีนะหมายถึงว่าใครที่จะมาเกิดในโลกนี้ไม่มีรอก โลกหน้าไม่มีหมายถึงว่าตายจากโลกนี้แล้วมันจะไปไหนมันก็ไปอะไรไปอยที่วัดไหนดีไปอยู่ที่ไหนมันก็มีอยู่เท่านั้นแหละมีขี้เท่าเป็นที่สุดพวนี้คือเรื่าโลกหน้าไม่มีหมายนั้ว่าตายแล้วก็จบกันนะมารดามไม่มีมารดามไม่มีนี่หมายคำว่าไงคุณมออยุพินแม่ไม่มีนี่แปลว่าอย่างไงไม่มีคุณเหรอเอาใครไม่รู้ว่าพ่อแม่เลี้ยงเรามา ก็รู้อยู่แล้วว่าทุกคนพ่อแม่เลี้ยงมามันมีมาษาที่ติมหนึงค่ะพ่อแม่ลับถึงพ่อแม่นะปัจจุบันนี้คือคําว่าพ่อแม่ไม่มีคนเนี่ยทุกคนถ้าว่าโดยตามหลักก็รู้อยู่แล้วว่าพ่อแม่เนี่ยเลี้ยงเรามาใช่ไหมแต่คําว่าพ่อแม่ไม่มีตรงนี้หมายถึงว่าถ้าฉันจะทําชั่วกับพ่อกับแม่ไม่มีพ้นตื่นเช้ามาด่าพ่อด่าแม่ตีพ่อตีแม่ฆ่าพ่อฆ่าแม่ไม่มีบาปสักอย่าง เตือนช้ามาบีบนวดสงอาหารเลี้ยงดูปูเสือบำรุงพ่อแม่ไม่มีพนอย่างเงี้เรียกว่าพ่อแม่ไม่มีนะไม่ใช่ว่าไม่มีพ่อแม่นะหมายคำว่าทําดีทําชั่วกับพ่อกับแม่ไม่มีประโยชน์เหมือนนเขาปฏิเสธอย่างนี้จะด่าพ่อด่าแม่ก็ไม่เป็นไรจะฆ่าพ่อฆ่าแม่ก็ไม่เป็นไรอันนี้ความคิดตัวนี้ร้ายแรงมากเพราะว่าขัดกับที่พระพุทธเจ้าสอนพ่อแม่เป็นเป็นอะไรเป็นอรหันต์ของลูกถ้าฆ่าละ่ะ บาปเท่ากับฆ่าพระอรหันต์เป็นอนันตริยกรรมด้วยพระเจ้าชาติาสัตรูเนี่ยตกนรกตั้งหกหมื่นปีนะก็ฆ่าพ่อฆ่าแม่แต่นั่นเนี่ยที่ตกนรกน้อยแค่นั้นเนี่ยเพราะอะไรหกหมื่นปีนี้ไม่นาน อ, อ๋อเพราะว่าถ้าเทียบกับคนอื่นถ้าเทียบกับกรณีอื่นๆท่านบอกว่าเหมือนกับว่าไปฆ่าคนตายมาแล้วอ่ะเนี่ยมาขนทรายหน่อยเดียวนะทำันกกรรมหน่อยเดียวเหมือนไปฆ่าคนตายแล้วเสียค่าปรับอยู่ไม่กี่บาทอย่างไง คือคือมีโทษเท่านั้นเองเพราะว่าไอ้ผลที่ท่านเนี่ยเป็นผู้ที่มีศรัทธา ม, มั่นคงในพระพุทธเจ้ามากท่านทําบุญประเภทอะไรสังขายนาพระสังขายนาพระธรรมท่านสั่งให้บูชาพระเจดีย์เป็นรู้วิรุกกี่ปีต่อกี่ปีเป็นผู้นักทำบุญมากแต่เขาบอกว่าบุญเหล่านั้นเนี่ยที่ที่ถ้าเทียบไปแล้วเนี่ยถ้าเทียบกับความผิดที่สังฆ่าพ่อเนี่ยโทษมากก็บอกว่าเหมือนกับการทันทันทกรรมเลย แต่บุญเหล่านั้นที่ท่านทำนี่ก็ประคองให้ท่านตกโลหะกุมพีแค่หกหมื่นปีแค่หกหมืนปีเนี่ยก็จมลงไปสามหมืนปีใช่ไหมโผลอีกสาม0 0ืนปีก็หลุดคนะี้องปีมนุษย์ปีมนุษย์ถ้าปีนรกนีย่ยุ่งมากๆเลยนะปีนรกกี่พันล้านปีก็ไม่ทราบมันดวงอาทิตย์มันส่องไม่ค่อยถึงอ่ะนะก็เลยนับปียากนรกมันยาวมากๆ อ๋อยันในที่นี้หมายถึ ง, อ, งอ๋อในทั่วๆไปไม่ไม่ไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวไว้คุยนอกเวลาเถอะพ่อแม่ไม่มีหมายถึงว่าทำดีทำาชื่วกับพ่อแม่ไม่มีประโยชน์เนี่ยนะแล้วก็สัตว์ที่เป็นโอปปาติกะไม่มีหมายว่าจุติและปฏิสนธิที่โตขึ้นมาทันทีไม่มีบางพวกถือว่าตายแล้วศูนย์แต่ตกกลางคืนกลัวผีมันก็มีอยู่มกันอย่างไร แปลกนะเพราะหมอพยาบาลบางคนก็ไม่เคได้เชื่อเรื่องโลกนี้โรคหน้าอะไรแต่ว่ากลัวผีทําไมเป็นอย่างนั้นไปได้ก็ไม่ทราบบางคนมันก็เชื่อเรื่องผีอะแต่ว่ากลัวผีจริงๆเลยถามคนนี่มันวิจิตจริงๆเลยนะโลกเนี้อะไรจะวิจิตเท่าโลกนี้ไม่มี แล้วก็สุดท้ายก็บอกว่าปฏิเสธสมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้ดําเนินไปชอบปฏิบัติชอบซึ่งประกาศโลกนี้โลกหน้าให้แจ่มแจ้งรู้ยิ่งด้วยตนเองในโลกเนี่ยไม่มีข้อสุดท้ายนี่หนักมากปฏิเสธพระพุทธเจ้าบอกก็ก็มีนะโยมคนหนึ่งแกเป็นลูกทา ย, ยกวัดแล้วก็ก็ได้ก็ได้เกี่ยวข้องกับทา ย, ยกวัดคนเนี้บ่อยลูกชายก็มีลูกชายคนหนึ่งไอเจ้านี่มันการเมสุมิชฌาจารย์มากมากเนี่ยนะ ไปที่ไหนก็ไปมีภริยาเต็มไปหมดทั่วไปหมดเขาบอกหลวงพี่เชื่อหรือว่ามันพระพุทธเจ้ามีจริงเขาเขียนหลอกๆแค่นั้นแหละหลวงพี่เขาบอกงั้นเนะสร็จแล้วก็แกก็ทําบาปอากุศลมากเป็นคนที่สร้างความเจ็บช้าน้ําใจให้พ่อแม่บ่อยมากเจ้าเจ้าคนนี้เนี่ยนะมันก็ทําให้เห็นคนที่ปฏิเสธพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยก็จะทําบาปทําอกุศลให้แกตัวเองเท่าไหร่เน้อ เขามาไม่สงสารคนอื่นหรอกสงสารไอ้คนที่คิดแบบนั้นอ่ะสงสารว่าเขาม่เขาไม่มีตาเลยนะทำไมเขาเดินไปลงเหว อ, อยู่ตลอดเวลาทำไมเขาประทุษร้ายตัวเองขนาดนั้นทำไมเขาทำบาปให้กับตัวเองขนาดนั้นนะเพราะว่าถ้าเขาปฏิเสธบุญบาปปฏิเสธพระพุทธเจ้าอย่างนี้แล้วจะมีอะไรนอกจากการทำบาปลนล้วนนะมันบาปไหนที่เขายังไม่ทำเขาก็จะสแสวงหาช่องทางเหล่านั้นทาบาป ก็ที่มาของติดยาเสพติดเป็นต้นเนี่ยเต็นไปหมดเลยนุ่งตรงนางชีวิตนี่ก็ไม่ได้เจอกันสักสิบปีได้ไม่ทราบว่าตายไปหรื อ, อยังเราไม่ทราบไม่เจอกันสิบปีแล้ว<ช>นเพราะพวกมิจฉาทิถีเนี่ยนะมิจฉาทิถีมีวัตถุสิบในโลกนี้ซึ่งในยุคใหม่สมัยใหม่นี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องของดาดเดินกลาดเกลื่อนไปหมดนั่นเ ซึ่งชีวิตมันเหลืออีกคนละไม่กี่ปีเนี่ยนะฮะที่ถีตัวนี้นําเกิดนี่จะไปไหนกันเนาะเนี่ยนะหรือไม่มันจะเป็นอะไรก็ช่างเหรอให้มันมีชีวิตอยู่ชาตินี้ก่อนแล้วใช้ได้อย่างนี้หรือเปล่าเนี่ยนะส่วนใหญ่ก็คิดในลักษณะนั้นอย่างก็ว่าชีวิตชาตินี้ของเขาจะอยู่อีกเป็นหมื่นปีแสนปีอย่างนั้นนะจริงเขาจะรู้หรือว่ามันกี่นาทีข้างหน้าต่อไปในสมัยที่ตายไวยิ่งกว่ากระพิบตายเนี่ยนะยุคนี้สมัยนี้มันตายไวจริงๆเลยเนะ ตายเร็วมากๆเลยนะอย่างชีวิตบนท้องถนนนี่เอาอะไรมารับประกันนะว่าจะอายุยืนยาวดีว่ามีโรงพยาบาลรองรับมีพวกเจ้าหน้าที่มูลนิธิเป็นต้นมันรองรับแคบเดียวเขาก็เก็บไปหมดแล้วใช่ไหมเลยเหมือนไม่มีอะไรแต่ที่ไหนได้ะไคุณมลชวจฉุกเฉินเนี่ยโดยเฉลี่ยเนี่ยกี่นาทีต่อรายหนึ่ง อ่อก็เลือกวันไปนะพวกชั่วโมงเร่งรีบทั้งหลายเนี่ยนะก็เต้ไปหมดเลยนะก็อย่างนี้และวาตะเนี่ยนะแต่ว่าเมื่อปฏิเสธไอความเห็นที่เป็นบุญเป็นบาปแตอย่างเดียวเนี่ยนะเป็นคนที่น่าการุณามากๆเลยพระพุทธเจ้าเนี่ยสงสารหมูสัตว์อย่างหนึ่งก็คือสงสารเพราะสัตว์เนี่ยเขาเดินไปตามอำนาจของมิจฉาทิฏฐิ มีมิจฉาทิฏฐิเป็นตัวนําเข้าไปอ่ะตัวความเห็นเนี่ยเป็นตัวนําเข้าไปแล้วเขาก็ไปทําบาปทําอาคุศลเขารีบทําบาปเหมือนกับกลัวคนอื่นแย่งทําหมดเขาเรียบจริงจริงเลยนะทําบาปเนี่ยรีบทําตานาติบาเรีบทํามัทินนาทานรีบทำกาเมสุมิจฉาจารเป็นต้นเดี๋ยวคนอื่นเขาแย่งเอาไปหมดก่อนเรีบจริงจเลยแต่บุญเนี่ยนะแย่งกันทําก่อนไม่ค่อยมีะแต่บาปนี่แย่งกันจริงๆริงเลยนั่นก็ จเจริญกรุณาเอาไว้เยอะๆเถอะเนี่ยนะว่าหมูสัตว์เขาเป็นอย่างนั้นจริงๆจเจริญทั้งภายในจเจริญทั้งภายนอกว่าเรานะถ้าเรายังไม่เป็นพระโสดาบันก็ยังไม่ได้พ้นจากทิฏฐิเลยเพราะอะไรเพราะว่าขันทั้งหลายเป็นทิฏฐิฐานะเป็นที่เกิดของทิฏฐิเป็นแดนโครจรแห่งทิฏฐิถ้ายังเกี่ยวข้องกับขันห้าก็ถือว่ายังเกี่ยวข้องกับมิชชัทิฏฐิอยู่ดีเพราะทิฏฐิทั้งหลายมันเกิดโดยอาศัยขันห้า อย่างทิที่ทั้งหลายสมมติว่ากา ม, มาวิตกมันเกิดขึ้นบ่อยๆมากๆเลยนะมิจฉาทิฐิมันจะเกิดทันทีเลยเอ๋อยกตัวอย่างเช่นว่าสมมติถ้าจานวินิจเนี่ยหวังกับไอ้ลาไยเนี่ยมากสมมติว่ากิโลแล้วหลายๆสิ บ, บาทอย่ไงนะหรือกิโลเป็นร้อยเป็นพันสมมตินะเสร็จแล้วหวังกับไอ้ไอลาไยสวนนี้ทั้งทั้งหมดเลยนะเต็มที่เลยว่าจะรวยจะรวยอย่างเร็วเสร็จแล้วาถามว่าถ้าแมลงมันลงเนี่ยจาย์จะคิดยังไง บอกมันบาปนะไม่เป็นไรมั้งเดี๋ยวมันจะค่อยๆขยับทีละนิดทีละนิดทีละนิดหนักในที่สุดเข้าก็บอกไม่มีผล